กลาดเกลื่อนไปด้วยหมู่ชนต่างๆเจริญมั่งคั่งเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญหรือว่าของผู้ที่ทําบุญไว้แล้วเหมือนกับเทพนครเทพนครเหมือนกรุงเทพเหมือนกันนะกรุงเทพมันดังอย่างนีน้เสียงสิบอย่างนี้ไม่เว้นไม่ว่างเลยเนี่ยนะเสียงช้างก็ไปดูที่สวนสัตว์ใช่ไหมเสียงม้านี่ก็ไปดูที่สนามมา้าเสียงรถเนี่ยโหทุกติดขนาดเลยนะแล้วก็เสียงกลองอ่ะเสียงดนตรีนี่ก็ฮืมทั่วไปหมดเลยก็เหมือนกรุงเทพ บ, บ้านเราเลยตอนนี้แหละ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 สุเมธ พ, พรามนั้นอาศัยอยู่ในนคร อ, อมรวดีนั้นเขาเป็นอุปโตสุชาติแปลว่าเกิดดีแล้วทั้งสองฝา่ายแปลว่าฝา่ายมารดาฝา่ายบิดาเป็นผู้ที่ถือเอาคันบริสุทธิ์มาตละตลอด7ชั่วสกุลเพราะฉะนั้นไม่มีผู้ใดคัดค้านรังเกียจในเรื่องชาติหมายคือว่าตระกูลของเขาเนี่ยไม่มีการปะปนกับคนระดับวรนนะอื่นเลยฝาล่ายพ่อพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเป็นพรามณ์มาแล้ว7ชั่วโคตรนั่นนะเชั่วยุคน ฝ่ายแม่ก็วรนนพราหมณ์แ ม, แม่ของแม่ของแม่ของแม่ของแม่เป็นวรนนพรามมาเจ็ดชัว่วอายุคนไม่ใช่ว่า <S 1> <S 1> เดี๋ยวพราหม์ไปเอากับจันทาร์จันทาร์ไปเอากับกษัตริย์มันวุ่นไปหมดไม่ใช่แบบนั้นเนะี่ยนะก็คือบริสุทธิ์มาดีแต่ก็มีอย่างอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะสมัยใหม่ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาละาวัฒนธรรมอินเดียสมัยใหม่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยเกี่ยงวันณะละทันจันทาร์ไปแต่งกับพราหมณ์ก็ได้เนี่ยนะอย่างดรเอ็มเบดกาเนี่ยก็แต่งงานกับ ด็อกเตอร์คนหนึ่งะนะที่ที่เป็นเป็นนางวรรณพรามอยเงี้ยก็เป็นวร น, นะจันทรานแต่งงานกับวร น, นะพรามเชื่อซึ่งลูกหลังมาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหรละ แ, แต่ว่านี่พูดถึงฝ่ายซูเมตบัณฑิตเนี่ยนะเป็นผู้ที่เกิดในวรรณะดีมันไม่มีผู้ใดคัดค้านในเรื่องชาติตระกูลรังเกียจในเรื่องชาติตระกูลรูปร่างก็สะสวยน่าชมหน้าเลื่อมสประกอบด้วยผิวพรรณเนี่ยงดงามอย่างยิ่ง เขาศึกษาจบไตรเพศพร้อมทั้งคัมภี์นิคันดุศาสต์เกตุภัสศาส์ทั้งอักขระประเภทครบ5ทั้งคัมพีอิติหาสะชํานาญในบทกวีชํานาญในไวยากรณ์ชํานาญในโลกายตนาศาสตร์คมภีร์มหาปริศลักษณะศาสตร์ท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่จบวิชาเนี่ยนะคือคือถ้าสมัยนี้ก็คือสาขาศาสนาปรัชญาจิตวิทยาพวกนี้จบหมดเลยแล้วก็คัมภีรประเภทต้นไม้ใบหญ้าพฤกษศาสตร์ แล้วก็พวกอักษราศาสตร์เนี่ยนะก็คือจบทุกสายสายวิชาประเภทใช้ใช้หัวนะประเภทใช้ความจําใช้ศิลปะอะไรงานประเภทนั้นจบหมดเลยแต่ก็ไม่มีพวกวิศวะอยู่ในนี้นะแต่เมี่ยเขาก็ถือว่าเน้นประเภทการะนะสายศึกษาน ะ, ะเป็นวิชาสายศึกษาเป็นหลักแต่มารดาบิดาได้ตายเสียครั้งเขายังเป็นเด็กรุ่นก็แปลว่าหนุ่มพอเรียนจบ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 ก็บรรลุถึงฝั่งในพราหมณธรรมานะของตนแปลว่าในลัทธิวนาพราหมณ์ของเขาเนี่ยเขาจดจําได้หมดทุกอย่างและพวกนี้มันไม่ใช่เรียนผ่านเฉยๆสอบได้นะแต่หมายความว่าจําอยู่ทั้งหมดทุกอย่างอยู่ที่ปลายลิ้นหมดเลยเนะี่ยไรได้หมดเลยส่วนขยายศัพท์จะไม่เน้นขยายนะเน้นลงรายละเอียดหน้า170่อดหน้ากลางว่าต่อมาวันหนึ่งท่านโซเมศบัณฑิต เป็นบัณฑิตผู้เพลิดเพลินอยู่ด้วยกองคุณสิบประการนั้นก็อยู่ในที่ลับณนะปราศาสชั้นบนนั่งขัตสมาธิคิดว่ า, านะคือเขาเป็นผู้ที่สั่งสมม า, าสั่งสมบุญมานานสั่งสมบุญมามากานะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยด้วยใจเนี่ยนะมาแล้วเจ็อสงไขยเปลงวาจากล่าวอีก9อสงไขยเพราะบุญเก่าอุปนิสัยเก่าความที่เขามีปุเพกตปุญญตามาเป็นอย่างดี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 เกิดแก่ป่วยตายเกิดแก่ป่วยตายโยมเขาเล่าว่าเนี่ยเขาต้องไปออกงานงานงานอะไรนะเกิดาคำว่าไปงานวันเกิดใช่ไหมงานแต่งเกิดแก่แต่งตายเนี่ยเขาเขาเขาออกไปงานประเภทเนี่ยเกิดแก่แต่งตายบอกแล้วเขาไปคิดอะไรให้มันบอกไปคิดอริยศาสตร์ได้แล้วเขาบางั้นจะเริ่มเข้าใจอริยศาสตร์เพราะออกแต่งงานเกิดแก่แต่งตายนะ เกิดแก่แต่งแต่เออเกิดแก่บวชแต่งตายเกิดก็วนๆอยู่งานแค่นี้ไปออกงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดางานครบรอบวันเกิดครอบรอบวันแต่งแล้วก็ป่วยเนื่องจากไปเยี่ยมเยียนกันในโรงพยาบาลอ้าวแต่งเรือแล้วก็ตายวนๆอยู่อย่างนี้แหละนี่คือปกติของสัตว์ที่มีอยู่ในโลกนี้อนะ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 เขาสามารถคิดสัจจะได้สมข้อด้วยลำพังตัวเองหนึ่งข้อแรกก่อนว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ทุกคนมีปกติธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตายทุกขทีนี้มันมีตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามว่บเกิดแก่เจ็บตายที่เรียกว่านิพพานแต่นิพพานอันนั้นมันต้องบรรลุได้ด้วยมรรคน ะ, ะท่าคิดได้สัจจะสานะทุกสัจเนโรสัจจะและมรรสัจจะ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 พูดถึงความคิดของท่านสุมเมศเนี่ยนะถ้าใครเรียนปฏิสัมพิธามัชอาทีนวายานกับสันติบทยาเนี่ยจะรู้ว่าเขาเาคิดได้ลึกซึ้งมากนะในปฏิสัมพิธามักเนี่ยนะอาทีนวอาร์าทีนวายานนิเทศเนี่ยที่กล่าวถึงวัตถุแห่งอาทีนวายานกับสันติบทยาเขาก็มาคิดว่าชาติเป็นภัยอาชาติความดับชาติปลอดภัย นนะชาตเป็นเป็นทุกการไม่มีชาติเป็นสุขชาติเป็นอมิตรการไม่มีชาติเนี่ยแปลว่าไม่มีอมิตรนิรามิตรเนี่ยนะไม่มีอมิตรชาติเป็นสังขารความไม่มีชาติเป็นนิพพานเขาคิดแบบนี้เลยนะวัตถุในในอาทีนวายานปฏิสัมพิธามัชเนี่ยแยกแยะเอาไว้อย่างนั้นจริงๆมันสุมเมตบัณฑิตนั้นคิดได้ลึกซึ้งในระดับพื้นฐานอาทีนวานุปัสนาญาณที่แยกแยะออก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 และข้อปฏิบัติเพื่อวิวัตะต้องมีแน่นอนอมีคําหนึ่งอธิบายว่านานากุณะปะปูะปริตังเนี่ยนะถ้าะไรเราพึงเป็นผู้ไม่เยื่อใ่ไม่ต้องการจะต้องละทิ้งกายอันเน่า น, านี้ที่เต็มไปด้วยอสุภะต่างๆอันซาก ศ, ศพรหรืออสุภะต่างๆมีอะไรบ้างในกายเช่นอุปสัปสวะอุจระนองเลือดเสมหะน้ำลายน้ำมูกเป็นต้น แล้วก็มรคเนี่ยที่เป็นเหตุที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยจะต้องมีอยู่จำเราจะต้องแสวงหามรคอันนั้นทีนี้เปรียบอุปมาว่าคือความที่ใครที่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างถูกต้องคนเหล่านั้นจะอุปมาได้เปรียบเทียบได้ท่านก็เลยมาเปรียบเทียบถึงถึงสิ่งที่ท่านคิดและสิ่งที่ท่านกําลังจะแสวงหา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 ชั้นใดในอริยสัจก็เหมือนกันเขาจะมองเรื่องระหว่างสัจจะสองกลุ่มฝ่ายวัตะกับวิวัตะวตตนี่จะมองสองส่วนคือระหว่างทุกขสั์กับนิโรธสั์ความทุกข์กับความดับทุกข์พระองค์ตรัสเล่าเสมอนะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็บอกว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เรากล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์จริงนะคําสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างกล่าวความทุกข์กับความดับทุกข์ทุกมีเหตุหรือไม่มีเหตุ มีเหตุเท่ากับกล่าวสมุทัยแล้วความดับทุกนี่อยู่ๆแล้วมันดับมันเองใช่ไหมหรือมีข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกมีเพราะถ้ากล่าววันทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวแต่ความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นก็แปลว่ากล่าวนิโรธกับอะไรทุกขสัจกับนิโรสัจะข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงนิโรสัจก็คือมรรสัจะเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายก็คือสมุทัยสัจจะเพราะวิวธีคิดเขาจะคิดอริยสัจเนี่ยเป็นเป็นโครงรวมเป็นองค์รวมและเป็นองค์หลักไว้ก่อน